คนเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีภาษาเยอะนั่นแหละมีภาษามากสัญญาอารมณ์ที่มันเก็บไว้มันก็มีมากตามพอมันมีมากเราจะทำความเพียรมันก็ไม่สงบง่ายแหละสงบแบบเข้าพวังหรือสงบแบบเข้าสมาธิ แต่ถ้าเข้าพวังหลับไปอย่างเงี้ยมันก็ได้พักผ่อนแต่ถ้าเกิดเราได้เข้าสมาธิเราได้เอาสัญญาอารมณ์ที่มีอยู่ในใจได้เกลี่ยออกไปได้มีสติคอยรู้รู้ใจอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ในสังคมของมนุษย์เมือง สังคมของมนุษย์สมัยนี้เนะี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนป่าเขามันก็ยังมีมากเดี๋ยวนี้ถึงยังมีป่าเขาอยู่แต่มันก็ไม่ง่ายที่เราจะเข้าป่าเข้าเขาไปเดินเที่ยวตามตรงนู้นตรงนี้ได้อย่างตามใจชอบเหมือนสมัยก่อนเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอพวกที่ผิดกฎหมายอยู่ข้างในไหม หรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเ็าจะมองว่าเราเป็นพวกเข้าไปล่าสัตว์หรือไปทำไม่ดีไม่ไร้ายอะไรข้างในไหมหมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะได้มีอิสระเหมือนสมัยก่อนแต่เราเติบโตมาในลักษณะที่เมืองมันเจริญขึ้นป่าเขาก็น้อยลง ป่าเขาที่มีเขาก็สงวนรักษาพยายามไม่ให้มนุษย์เข้าไปยุ่งวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเรานะรุ่นทวดรุ่นอะไรที่เขาจะอยู่กับป่ากับเขามีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใกล้ชิดกับป่าเขามากมากกว่าสมัยนี้ มันมีคำที่เขาพูดกันเล่นๆน่ะว่าถามเด็กสมัยนี้น่ะว่าข้าวที่เรากินน่มาจากไหนก็บอกว่าข้าวมันก็มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ทําให้เห็นว่าเขาไม่ได้เติบโตมาในวิถีที่เขาจะเห็นว่าการปลูกข้าวใกล้ชิดกับการเกษตรสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาชินตากับการที่เห็นผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเอ่ยผ ล, ลไม้เอ่ยมันก็วางเรียงกันอยู่ในซ u เปอร์มาร์เก็ตหรืออยู่ในตลาดสดแต่ต้นของผลไม้นั้นนั้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อย่างผักกรนะเฉดแน่นอนเด็ ก, ดกๆไม่ไม่รู้หรอกว่ามันมายัางไงต่างจากผักบุ้งไหมบางทีก็ไม่รู้ล่ะ พราฉะนั้นมันจะมีไม่มากโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเมืองแหละก็จะยิ่งห่างไกลไม่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ได้ใกล้ชิดกับต้นไม้ไม่ได้ออกไปลุยท้องทุ่งท้องนาไร่สวนอะไรอย่างงี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับพวกต้นไม้แหละเมื่อจะทําให้เห็นว่าพอไปเจอต้นไม้จริงก็งงงงมึนมนไป ต้นอะไรก็ไม่รู้แหละพอเห็นต้นไม้บางทีก็แย่ไม่ค่อยออกอันนี้ต้นอะไรบ้างที่พูดมาี่นี้ก็จะคือจะให้เห็นนั่นแหละว่าเวลาที่วิถีชีวิตของมนุษย์ของโลกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เปลี่ยนแปลงไปในแบบที่คนเราก็จะห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้น อยู่กับสิ่งปรุงแต่งของมนุษย์มากขึ้นมันก็ทำให้เห็นว่าคนสมัยนี้ก็จะมีสิ่งปรุงแต่งตั้งตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายละเอียดประณนี่ที่มันต่างไปมากมันก็ดีในแง่ที่ เรียกว่าเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะมาเอื้อเป็นปัจจัยสี่ให้เราเนี่ยมันก็มีมากมีอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยนี้อยากจะกินอะไรล่ะปลาแซลมอนก็มีมีให้กินเยอะแยะดัดเด่นไม่เหมือนกับสมัยก่อนแหละ โลกมันก็แคบลงสังคมก็ใกล้ชิดมากขึ้นมันก็จะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่หลีกเร้นมันก็ทำได้ยากอย่างสมัยก่อนนัดเจอกับเพื่อนที่หนึ่งก็บางทีกับ2 ส, สชั่วโมงนะกว่าจะรวมตัวกันได้ครบบางคนก็มีความตรงต่อเวลา บางคนก็ไม่ได้แค้ไม่ได้ใส่ใจเพื่อนฝูงเลยนัด11โมงบางที11โมงยังไม่ตื่นต้องโทรไปตามโทรไปตามกว่าจะนั่งรถมาโอ้ยมันกินเวลายเยอะมันไม่เหมือนสมัยนี้มีโทรศัพท์ทุกคนก็มีโทรศัพท์ส่วนตัวกันหมดมีโทรศัพท์มือถือที่มันไร้สายติดตามง่ายเข้าถึงง่าย สะดวกสบายในการสื่อสารอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันก็จริงแต่มันก็มีข้อเสียที่ทำให้เราเสียความเป็นส่วนตัวเสียความที่เเรียกว่าวิเวกเสียความวิเวกไปทาให้เราเนี่ยเหมือนเปิดประตูห้องเปิดประตูบ้านของเราตลอดไม่ได้ปิดประตู การที่เราเปิดประตูบ้านทิ้ไงไว้ไม่ได้ปิดไม่ได้ลงกรอนมันก็ทำให้ใครเข้าใครออกมันก็มักหน้าหลายตาไปทั้งดีทั้งไม่ดีสับปนกันไปซึ่งถ้าเรายังมีกำลังที่เราจะคอยเฝ้าไม่ให้ใครแปลกหน้าเข้ามา คอระวังคนไหนจะเป็นคนที่น่าสงสัยจะเป็นโจรที่จะมาขโมยมาปล้นชิงที่บ้านเราแล้วก็พยายามที่จะเข้มงวดกวดขันไล่พวกนั้นไปพอประตูมันเปิดเนี่ยมันก็เห็นว่ามันเต็มไปหมดแหละคนเข้าคนออกเรื่องราวที่มันจะเข้ามาในบ้านที่เรียกว่าใจที่มันเปิดรับอยู่เนี่ยมันก็เข้ามา ตลอดเลยสุดท้ายมันก็จะเป็นอารมณ์ที่มันตกค้างสะสมอยู่ในใจของเรายิ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าเป็นสังคมของฝรั่งใช่ั้ยเขามีค่านิยมว่าเข้าตึกเข้าบ้านเขาก็ไม่ถอดรองเท้าใช่ปะแต่อย่างสังคมคนเอเชียของเราเนี่ยก็ยังดีเราเข้าบ้านแล้วเราก็ถอดรองเท้าเอาไว้ เก็บไว้เป็นที่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ใส่รองเท้าที่เราจะใช้ข้างนอกถ้าจะใส่ก็ใส่เฉพาะอันที่เราใช้อยู่ในบ้านเท่านั้นเพื่อความสะอาดของบ้านเราของพื้นบ้านเราแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมคนเข้าคนออกคนนั้นใส่รองเท้าอีกคนหนึ่งถอดรองเท้าไว้ดูเปรตเพีย อีกคนหนึ่งไม่ถอดเดินเพ่นผ่านเข้ามาในบ้านเรามันก็สกปรกเยอะแยะไปหมดมันก็จะเห็นว่าเราก็ต้องเหนื่อยที่จะมาทำความสะอาดเหนื่อยมากกว่าปกติที่เรามีจะควรที่รู้รู้กฎกติกากั น, กนนะว่าเข้าบ้านแล้วถอดรองเท้านะแล้วมันก็จะสบายขึ้นไปอีกถ้าเราได้รู้จักจะปิดประตูรั้ว ปิดประตูบ้านเปิดเอาไว้เฉพาะอย่างที่เราจะต้องรับแขกเมื่อยามจาเป็นถ้าเปิดอาซ่าเอาไว้มันก็ต้องเหนื่อยมาทําความสะอาดทําทั้งวันเดี๋ยวมันก็เหมือนข้างสรรพสินค้าแหละคนเข้าคนออกโดยเฉพาะถ้าเราดูตรงห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้ยมันถ้าไม่มีคนทําความสะอาดประจําถ้าไม่มีคน ทำความสะอาดทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเียเราเข้าห้องน้ำเนี่ยคโหมเหม็นมากเมนเหม็นเพราะว่ากี่คนกี่คนมันก็เป็นเป็นที่ขับถ่ายของคนนะใจเรามันก็จะไม่ต่างกันมากถ้าเราเปิดประตูใจรับอารมณ์มาทั้งตลอดไม่ได้หมันที่จะปิดไม่ได้หมันที่จะคอยรักษาให้ดีซึ่งถ้าเรารักษาให้ดี เรารู้จักที่จะปิดเปิดให้มันเป็นเวลาเวลาไหนที่เราจะต้องคลุกคลีด้วยหมู่เราก็ทำให้มันพอเหมาะพอดีต้องทำงานร่วมกันแต่ก็พยายามรักษาใจเอาไว้ให้ยังอยู่ในภายในอยู่ให้ไม่วิ่งว่อนออกไปตามเรื่องราวข้างนอกตลอด 100% เ ก็ยังรักษาใจหูฟังตาเห็นแต่ใจเรายังตั้งมั่นอยู่ในภายในได้อยู่มันก็จะทำให้อารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันไม่ล้นพลักเข้ามาในบ้านของใจจนเกินไปอีกครั้งถ้าเรามีเวลาที่เราจะไม่คลุกคลีด้วยหมู่เราก็จะทำความสะอาดใจิตใจได้ดีไม่เหนื่อยมาก เทียบกับการที่เราส่งใจออกไปอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับเราเปิดประตูบ้านใครเข้าใครออกก็ได้อย่างนี้มันจะเหนื่อยปิดกว่ากันมากแต่ถ้าในทำนองกลับกันเราปิดประตูบ้านแล้วเราก็รู้จักที่จะทำความสะอาดหาเวลาที่จะเป็นจังหวะเวลาที่จะ เขาเรียกว่าเหมือนบิ๊กคลีนนิ่งอย่างที่ทำงานอย่างหรือแม้แต่บ้านเรือนเราเนี่ยเราก็จะมีค่านิยมใช่ไหมว่าออย่างน้อยๆ น, ยนย่วันสิ้นปีเนี่ยเราก็หยุดงานรวมผู้คนในองค์กรหรือถ้าเป็นบ้านก็รวบรวมคนในครอบครัวมาทำความสะอาดต้อนรับปีใหม่ให้บ้านเรานี่สะอาดพร้อม ที่จะต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงส่งท้ายปีเก่าด้วยความสะอาดสะอ้านความดีงามถือเป็นเรื่อกดียามดีที่เราได้ต้อนรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆเป็นอย่างเงี้นยน่มันก็ทำให้เห็นว่าถ้าเราไม่มีการแบ่งหรือจัดสรรเวลา เวลาที่เราจะมาทำความสะอาดครั้งใหญ่แบบนี้เนี่ยไอความหมักห ม, มมของสิ่งสกปรกหมักห ม, มมขยะที่มันเคยอยู่แล้วเราก็ยังละเลยที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเราก็จะทำความสะอาดในส่วนเฉพาะที่เราจาเป็นที่ต้องทำแต่ส่วนไหนที่เรายังไม่คิดว่ามีความสำคัญจะต้องทำเราก็จะผัดผัดไว้ก่อน แน่นอนแหละ ว, ว่าถ้าถึงเวลาที่เราคิดว่าเราหยุดการงานทั้งหมดแล้วเรามาตั้งหน้าตั้งตาทำความสะอาดมันก็จะได้ทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆอันนี้มันเปรียบเทียบกับอะไรมันเปรียบเทียบกับการที่เรามีเวลาที่เราจะได้หยุดหยุดพักผ่อนยาวๆหลายๆวันหน่อยแล้วเราก็ไปทำความดีให้กับจิตใจไปเติมอาหารใจไปเคลียร์ใจ ก็เหมือนเราไปเข้าคอร์สหยุดลาพักผ่อนยาวๆที่จะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมีเวลาที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมู่มีเวลาที่เราจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เขาจัดให้ที่มันเป็นไปเพื่อเพื่อความเจริญโดยง่ายแก่จิตใจภาษาที่มีเขาก็จัดเอาไว้ให้ภาษะแบบดี เป็นภัษสะที่จะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำนักเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เราเข้าสมาธิได้ดีมีความสงบใจได้ง่ายมีความสงบใจได้มากถึงแม้ว่ามันจะไม่มีป่ามีเขาให้เราเข้าไปง่ายๆเหมือนกับสมัยผู้ย่าตาทวดสมัยครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็จริงแต่มันก็แลกกันมาด้วยสังคมเมืองแบบเมืองที่ อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็จะมีสถานปฏิบัติธรรมที่เขาเอื้ออำนวยให้เราไม่ต้องคลุกคลีด้วยหมู่ทำเสมือนกับว่าเราได้หลีกเล้นเข้าไปในป่าไม่พบเจอผู้คนมันก็ยังมีสถานที่ที่เราจะทำความสงบได้ง่ายไม่คลุกคลีด้วยหมู่เอื้อให้ เรามีเหตุดีที่เราจะทำความสงบได้ดีใจเราก็จะได้เหมือนกับทำความสะอาดครั้งใหญ่มีเวลาที่เราจะทำความสะอาดอย่างจริงจังใจก็จะสงบผ่องใสเยือกเย็นได้ง่ายได้ดีพอเราทำความสะอาดใจได้ดีมันก็พร้อมที่จะมนลุย มาลุยกับโลกใบนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาความพอดีหาความสมดุลให้กับชีวิตของเรานะจะไปตรงไหนจะไปยังไงแต่สุดท้ายถ้าเราไม่มีความเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเวียนว่าอยู่ในสมมตินะ สมมตินี้มันก็ไม่ได้มีสาระเกี่ยนสารจริงแท้แน่นอนถ้าเราไม่ได้หมั่นพิจารณาแบบนี้เนี่ยกิเลสมันเอาไปสอยหมดสอยเวลาเราไปหมดเพราะว่ามันจะให้เราเห็นเป็นจริงเป็นจังไม่หมดแหละไม่ว่าจะเป็นงานราดงานหลวงงานอดิเรกหรืออะไรทุกอย่างมันก็จะทำให้เราดนดึงไปเอาเวลาเราไปเผากับกิจกรรมเหล่านั้น แต่เราไม่เห็นเนี่ยว่าเราได้ใช้จ่ายเวลาไปอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เรามีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีแบบอัลลิมิตไม่ใช่แต่มันมีลิมิตอยู่แล้วมันก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆแต่จะมากจะน้อยจะเหลือเยอะ เ, เหลือน้อยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาที่เราจะใช้จ่ายได้อีกมีเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราใช้เวลาณตอนนี้ให้มันคุ้มค่าให้มันดีให้มันเป็นไปเพื่อที่เราจะเห็นตามความเป็นจริงให้เรามีความรู้ความเห็นที่มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดเห็นโทษของกามแล้วก็เห็นคุณของการที่เราหลีกออกจากกาม แล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่เรามีจิตใจที่สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ภายนอกไม่หวั่นไหวไปกับภัสสะต่างๆทางภายนอกซึ่งถ้าเราไม่ได้พิจารณานี่นะกิเลสมึนเอาเราไปกินหมดเอาเวลาเราไปผลานหมดผลานไปกับทางการบ้างสำหรับคนที่ชีวิตอาจจะไม่ได้ลำบากลำบนอะไร ง่ายต่อการที่จะมีความสุขในทางกามง่ายที่จะเพลิดเพลินไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเอาการมาล่อหลอกแต่ถ้าสำหรับคนที่มีความทุกข์อย่างเช่นคนที่หาเช้ากินข้าที่เขามีปัจจัยสี่ไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะพยายามดึงใจของเราเนี่ยให้หว่า เราจะต้องทำอะไรเนี่ยทำอะไรบ้างเพราะว่าปัจจัยสี่เนี่ยโอ้มันไม่ไหวนะมันยังไม่เพียงพอนะเราต้องพยายามหามาให้มันเพียงพอต่อตัวเราต่อครอบครัวมันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยไปคิดไปหาทางหาวิธีที่จะดำรงให้มันอยู่ได้ มีปัจจัยสีที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นมันเอาเราทุกทางนะทางที่คนเห็นทุกแล้วมันอยากจะพ้นทุกเนี่ยมันน้อยเห็นแล้วว่ามีทุกแล้วอยากที่จะพ้นทุกให้มันได้จริงๆจังเน่มันจึงไม่ง่ายนะเพราะเวลาคนที่เจอทุกจริงจริงเนี่ยมันมีความอยากที่จะพ้นทุกแต่มันไม่ได้อยากแบบถูกต้องนะ เขาแค่อยากให้ทุกที่มีเนี่ยมันหมดไปเพื่อที่จะไปหาความสุขในทางกลางอันนี้ก็คือแบบปุถุชนเลยแต่ถ้าเป็นแบบอริยชนเขาก็จะเห็นว่าทุกเนี่ยมันมีแล้วเขาก็หวาดกลัวต่อการที่จะต้องมาเวียนวนอยู่กับความทุกข์แต่เขาไม่ได้มีความประมาทที่ว่า จะแก้ทุกอันนี้ให้มันหมดไปเพื่อที่จะหวังสแสวงหาความสุขในทางการในทางรูปเสียงกลิ่นของรสสัมผัสแต่เขาเห็นถึงโทษของกรรมด้วยว่าการที่เรามีใจที่มันผูกติดผูกยึดกับความสุขในกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีโทษในภายหลัง มันมีความสุขเพลินณตอนนั้นจริงแต่มันก็มีโทษในภายหลังเขาเรียกว่ามีความดีงามในเบื้องต้นแต่ใน่าำกลางและที่สุดเนี่ยมันไม่ดีงามแต่สำหรับเรานักปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านมีความเห็นที่เห็นว่ามันไม่ดีงามใน่าำกลางและที่สุดนี่กามเนี่ย เพราะฉะนั้นมันมีผลก็คือทำให้ใจของเราเนี่ยเราร้อนมีความหิวกระหายไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งซึ่งการที่หิวกระหายในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภูกใจแบบหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราสแสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยสแสวงหาในทางถูกต้อง ก็ถือว่าเสมอตัวแต่ถ้าเกิดว่าความอยากมันบีบคั้นมากๆทำให้เราแสวงหามาในทางที่ศีลเราจะต้องเสียไปอันนี้ขัดทุนเลยแต่กิเลส ช, ชอบนะกิเลส ช, ชอบเพราะว่ามันอยากให้เราอยู่กับมันนานๆไม่อยากให้เราหลุดออกจากวัตตะนี้ไป เหล่านักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยก็จึงเห็นโทษของกาลนี่แหละว่ามันทำความเร่าร้อนให้กับจิตใจใจไม่เคยอิ่มไม่เคยพอแต่การที่เรามีความสงบเกิดขึ้นกับการที่มีเครื่องอยู่ที่ดีอารมณ์ที่ดีมีพุทโธเป็นต้นเนี่ยมันทำให้ใจโดนปรับสภาพจากใจที่หิวกระหายมาเป็นใจที่มันอิ่มพอ ไม่ขุนมัวกลับมาผ่องใสยเยือกเย็น้าให้เห็นถึงถึงเส้นทางเนี่ยว่าทางเส้นนี้แหละมันเป็นอาทิกัลญาญหนังคือดีในเบื้องต้นมัดเชกัลญาญหนังดีในถ้ำกลางแล้วก็ปริโยสากรกัญญาญหนังก็ดีในท้ายที่สุดด้วยเพราะว่าเดินบนเส้นทางนี้ท้ายที่สุดแล้วเราจะ ทำที่สุดแห่งทุก์ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนวนเวียนวนอยู่กับความทุกข์ต่อไปใจของเราก็จะมีศักยภาพที่บริหารจัดการกับความทุกข์ได้ดีได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องไปหวังพึ่งรอว่าเราจะทำอันนี้อันนี้แล้วมันจะมีความสุขในตอนนู้นตอนนู้น แต่ถ้าเรามีทำหวังพึ่งทำทําให้มันดีนะตอนนี้มันก็สุขณตอนนี้แหละทุกมันก็จะลดลงลดลงนะตอนนี้นี่แหละไม่ต้องไปหวังพึ่งว่าเอออีก10บปียีบปีสาปีเราถึงจะดีทําตอนนี้มันก็ดีตอนนี้แหละทําเหตุดีนิดหน่อยมันก็ดีนิดหน่อยแต่ถ้าเราทําเหตุดีได้อย่างหมดจดผลที่ได้มันก็ ยิ่งใหญ่ก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าก็ทำให้มันรู้จักกับตัวเราอะรู้จักกับตัวตนของเราด้วยในแบบของเรารู้จักเงื่อนไขในปัจจุบันรู้จักเงื่อนไขของโลกณปัจจุบันแล้วก็ใช้ธรรมะปรับให้มันเข้ากับสภาพปัจจุบันก็เราเนืกอถึงว่าถ้าเรามีเงื่อนไข เราตัเราอยู่ในแบบครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยไลฟ์สไตล์มันก็มีเหมือนกันนะแต่แน่นอนละกิเลสมันก็เหมือนกันกรองหัวใจเหมือนกันแต่วิธีที่กิเลสมันใช้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ต่างกันเพราะมันก็มีเครื่องมือเหมือนกับธรรมะนี่แหละสมัยโน้นมันก็มีแบบหนึ่งแบบสมัยโน้นในสมัยนี้เครื่องมือก็เปลี่ยนไปแตตามยุคตามสมัย ธรรมะก็มีเครื่องมือตามยุคตามสมัยนี่แหละเอาไว้แก้กันอย่างสมัยครูบาอาจารย์ท่านเข้าป่าเจอสัตว์เจอเสือเอาไว้ฝึกใจในสมัยนี้เสือมันกลัวคนจะตายเข้าป่ามันไม่ค่อยจะเจอแหละจะหาก็ยากเข้าก็ยากเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่เอาไว้ใช้ในการฝึก เหมือนกับสมัยยิ่งครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกให้มันได้ดีไม่ได้เพราะว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้เครื่องมือที่พระองค์แสดงเอาไว้มันก็ยังมีอยู่ดีอยู่เครื่องมือที่ว่ามีสติเป็นหัวหน้ามีสติเป็นผู้นํามันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องมืออันนี้แหละ ที่มันทันสมัยอยู่ตลอดการตลอดเวลาตลอดยุคตลอดสมัยเพียงแต่ว่าเอามาปรับใช้ให้มันสู้ให้มันได้เหมาะกับเหตุการณ์สถา น, นะของเราสู้ให้มันเต็มกำลังความสามารถสุดจิตสุดใจของเราเพื่อที่เราจะได้ไปให้มันถึงถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้มันได้จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนวนเวียนไหวไตเกิดอีก ให้มันซ้ำซากจําเจให้มันได้ถึงถึงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขียนาชาติชาติสิ้นแล้วเป็นชาติสุดท้ายใมุสิตังพระมจริรจรยังพระมจรรยก็อยู่จบแล้วกตังกรณียังกิจที่เราควรทําเราก็ได้ทําเรียบร้อยแล้วให้มันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบนั้น เราก็จะถึงถึงสถานะที่เรียกว่าปรังสุขขังเสียงบรมสุขอลไรนะที่ใจนะธรรมะก็อยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนค้นที่ไหนธรรมะไม่ต้องไปนค้นที่ภูเขานนั้ลูกไหนไม่ต้องไปนค้นว่ามันอยู่วัดไหนไม่ต้องไปนค้นว่ามันอยู่บริษัทไหน คนลงไปที่หัวใจของเราเอาสติเป็นเครื่องขุดเครื่องดูเครื่องส่องเครื่องวินิจฉัยมีสมาธิมีปัญญาที่จะคอยเป็นเครื่องมือที่จะศึกษามันดิยนรู้มันเข้าใจมันแล้วก็จะได้เอาโรค ที่มีโลภะโทสะโมหะราคะเนี่ยได้กำจัดออกไปจากใจให้ใจเราเนี่ยได้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าอารหังหนึ่งในคำแปลหนึ่งในคุณสมบัติของอรหังก็คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสใจเราจะได้ไกลาจากกิเลสเป็นใจที่ไม่ขุ่นมัวเป็นใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์สุดส่วน ด้วยทำ